ย่าจนหลายวันนี้วันที่สองสิงหาคมสองวันห้า้อยสี่ิห้าก็เป็นวันที่สองการแนะนํำกรรมฐานเหมืองกันการแนะนํากรรมฐานในวันนี้ขอนำนพระสู่รไปเพราะว่าสอนกันเป็นท่านมากเกินไปมันจําไม่ได้ือน้อยกาจําไม่ได้ อย่างกลางก็จำไม่ได้ผฮ้ยจำได้ถ้ามากเกินไปจําไม่ได้ที่เอาข้อสุดมาสอนกันเอาเรื่องเก่าๆก็จะสอนตามแนวพระเจ้าทรงสอนก็ขอแทรกอัตถานิดหน่อยตามเวลาเนะพยนนึก็ขอแนะนําิธีปฏิบัติพูดเข้าถึงเไ ด, ด้สบาัน ธำบ้าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงก ร, ระแสวิญญาณ ก, ก็มีอะไรมากหนึ่งยังแต่งงานยังมีความรักระหว่างเพศประการที่สองอยากรวยประการที่สามยังมีความโกรธประการที่สี่ยังมีความหลงแต่ว่าทุกอย่างไม่ดเมื่อชินห้าท่านเองก็ขอนำเอาเรื่องพระสูตร เตสการีมาแนะนำสปเดาจพระพุตธบริษัทเข้าใจว่าคงจำกันได้ดีแล้วใช่ไหมเปรียสการีวันทะเลไปแล้วเ <c oughs> ตสการีหรือว่าในสมัยครั้งหนึ่งคนเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทักอยู่ในพิะเชตวันมาหาวิหารเวลานั้นองค์พระฤาพริตตมันเวลาเช้าตรู่ สวดตัตุรุปติสัยของสัตว์ต็อก็เป็นธรรมดาแต่ว่าตามบารีไม่ได้บอกว่าเห็นใครยินรู้บัาผลพระองค์สมเด็จรัตถวรมตั้งใจจะไปส่งเคราะห์คนเมองอารวีในตอนเช้าองค์สมเด็จพระจินสีไปองค์เดียวไม่ช่วยใครทั้งหมดม่องสบงสจิรกรรก็คลองบาดถ้าก็เอบไปดางกาด ทางแยกใกล้ๆ ก, ก็ลงเดินเข้าไปในพักนวิหารที่มีประจำหะ น, นั้นบรรดาประชาชน์ทา้งหลาย <c oughs> ส่าองค์สมเด็พระพูมีพระเจา้าเจ้าปิะท่นก็ต่างคนต่างก็มานอสการนำหารมาถวายเวลานั้นบาวขว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งตามบาลีเรืยอเวสกาวีแ้วตุศานัยช่างหุกเขาไม่บอกชื่อ ใ็้หุงข้าวเสร็จตอนเช้าแล้วก็ไปให้พอ mar, ma, ่อเมื่อทราบองค์พระเดชธรรมานุพระจะเร็จมาก็แวะเข้าไปสวายพระตาหารเอพระพุทธเจ้าสวดพระตาหารเสร็จก็องค์ก็ทรงเทศคังให้ดีในตอนเทศน์นะเทียงนี้ก็แย่ท่านบอกว่ารำบรรดาโพบุริยดูก่อนท่านดูจะเดินทางหลาย ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทุกคนต้องอย่าคิดว่าเราจะถ้าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรงนี้จงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอถ้าตั้งใจสร้างความดีมีศีลเป็นต้นถ้าเศสัตว์ที่เดียวนะจะเข้าที่บายได้อย พำว่า ค, ความดีในที่นี้หมายความความดีอันดับแรคกคือพระเจ้านรยอมสงสารเองบาบาบาบาบาหีว่านิมตตังสตัวดังกันตูโดยิตาถ้าบุคคลใดมีความการันตุรุโอกาสและคนนีพันทําทแล ต, ตอบสตอบสนองตอบคุณท่านถ้ากอบว่าคนนั้นเป็นคลดีให้ดูความดีอันดับหนึ่งคือความกร า, า, ารันตุยคุณพระตอบสนองคนท่านขโอกาที่สอง ทุกคนเข้าถึงใจสนาคมคือยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ดีวความจริงใจประการที่สามมีศีลประการที่สี่ต้องไน่ลืมความตายในข้อยังนียังว่าพระเจ้าทรงจี้เฉพาะการตายเป็นสำคัญคือสัยญอสิบประการในตัดตัวเดีวายวคือสกาญาติทิคคือความตาย ในหมพดพระเจ้าเทศจบพระเจ้าทรงเสด็จกลับบรรดาญาติโยมก็กลับเบสกาลีก็กลับเพะว่าเทศใน ว, วันนั้นทั้งหมดแม้ว่าจะสั้นนิดหน่อยเพราะว่าบรรดาคนทั้งหลายที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องพลุกขึ้นลื่นหมดก็ไม่จำได้คนเดียวคือเบสกาลีจำว่าพระเจ้าทรงมีวงน้าวันดวงจันทร์ท่านตรัสว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้เราอาจจะตายวันนี้ก็เสมอให้ทรงความดีเขาไว้ความนี้ก็คือหนึ่งมีความกตลญยู่รูค้คนอาการที่สองเข้าถึงตไตสนาคมอาการที่สามมีศีงบริสุทธิ์เธอรักถึงพระพุทธเจ้าทุกวัน หน้าที่ของเธอคือว่าแม่ตายไปแล้วพ่อเป็นนายน <c oughs> นช่างหูกผอผ้ากะลองหูกอยู่ไกลกันถึงเช้ามาเธอก็ต้องหงค่าแล้วไปส่งให้พ่อบางวันถ้าได้จะหมดพ่อสังให้ขอได้ก็ต้องขอได้ไปให้ด้วยทําอย่างนี้เป็นปกติที่พ่อตาโยรูคุณอยู่เสมอแล้วแล้วก็พยายามสร้างความดีไม่ลืมความตาย เวลาขรังแรกสี่พเจ้าเสด็จไปเจอในยี่สิหกสิบหกปีต่อมาเวลาผ่านมาอีกสามปีตอนเช้ามืดอ ง, งส่งเดจินาีทรงตัววรรษสัยทรงสัตย์ก็เห็นเธอก็เป็นไข้พยานก็สงสัยว่าเดจิงคนนี้มาสามปีแล้วเพิแล้วทั้งหนึ่งเพิ่งจะมีอะไรตัิดขึ้นกับเธอ ก็ทรงทัาบว่าอตอนสายวันนี้เธอจะตายฉะนั้นองค์พระสุจันต์จึงคิดว่าถ้าเธอจะตายถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีสติแน่นอนไหมหรือไม่แน่นอนก็สงทรงาบว่าถ้าไม่ช่วยจะมีสติไม่แน่นอนถ้าสงช่วยอย่างนี้จะสติแน่นอนคําว่าสติแน่นอนหมายความว่าไม่ไปยาใยาภูมิอย่างน้อยที่สุดก็ไปสวรรค์หรือเป็นทสดาบันขึ้นไป <c oughs> ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันก็มิสติไในแน่นอนเพราะพระโสดาบันจะตัดบาปทั้งหมดบาปเก่าทั้งหมดลบหายทิ้งไปคือเขาไม่ลบแต่ไม่ลงโทษบาปใหม่ไม่เกิดขึ้นข้อติลูกวิวาจะก้าวเข้าสู่พระพพัน์าา 9, อย่างเดียวเพม่อนว่าทรงคิดต่อหรือว่าถ้าเราจะช่วยเธอจะช่วยแบบไหนจะเทศเรื่องอะไรทีงจะเข้าใจ ก็ทรงทราบว่าถ้าไปถามปัญหาเธอ4ีข้อเธอตอบแล้วยอมรับว่าถูกต้องให้สาธุการสี่ครั้ง <c oughs> เธอก็จะเป็นพระโสดาบันหลังจากได้ก็จะตายถ้าตายจากความเป็นคนก็จะเกิดเป็นเทวดาชน่นฤกษ์เป็นที่อยู่ของพระบริสัทบ้างประโสดาบันบ้าง เมส่อทรงทราบจำนั้นแล้วก็เลยใจข้าวตูมันเดิมไม่ชวนใครหม่กันไปองค์เดียวไปถึงว่านั่งทีงกิหารจำเดิมเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวพระเจ้ามาก็ต่างคนต่างกับพากมหาแต่เปสการีทิฏดาทุยก็ทราบเป็นกันแต่ว่าวันนี้มาสายเพะว่าตอนันเยียนวันวานพ่อบอกว่าพวกนี้ถ้าลูกเจ้าเข้ามาใ ห, ให้พ่อให้พ่อได้ไม่ให้รวยก็ได้จะหมด <c oughs> เมื่อเธอหวงข้าวเสร็ก็ต้องก่อได้ก็สายไปเพราอาจจะบังคิจารใจว่าเวลานี้พระเจ้าเสด็จมาถ้าเราจะไปหาพ่อก่อนจะสายเกินไปจะหาพระเจ้าเจ้าจะกลับไปก่อนถ้าเราไปหาพระพุทธเจ้าก่อนก็ไปหาพ่อสายเกินไปเพราะอาจจะหิวจะด่าจะตีก็ได้ <c oughs> แต่เธอก็ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อด่าตีของพ่อของธรรมดา ตระการเห็นว่าพระเจ้าเป็นหัวหายากพระเจ้าเคยมีวงพักคราดดวงจันทร์เลยแม้แต่สามปีไม่เคยลืมวันนี้ก็ไปเฝ้าก่อนมเมื่อเธอเข้าไปถึงก็ปรากฏพระเจ้าฉันเสร็จแล้วแล้วก็พระเจ้าฉันเสร็จตามธรรมดาพระเจ้าฉันเสร็จถ้าอยาเทศู้จะต้องส่งบาตให้ใครใครในใดคนหนึ่งเวลานั้นพระเจ้าฉันเสร็จปราก็ว่าไม่เห็นเปรตกาลี ท่านก็คงต้องดใจว่าเรามาเพื่อบอคุคคลผู้ใดถ้าคนนั้นยังไม่มาเราจะไม่ยอมเทศจะไม่ส่งบาตรให้คนอื่นแ <c oughs> ม่แม่แด้เบญจกาลีเข้าไปแล้วเขามา น, นั่งหน้าห้างเขารอบปีหลัลงก็ส่งบาตรให้ชาว บ, บ้านก็สงน้องหน้าไปสกาลีทิดาทุสานเจ้าหกเมื่อเธอก็มองหน้าท่าน วเห็นหน้ากันก็สราบว่าเสก็ทราบว่าเจ้าตองการเข้าไปใกล้ที่ขออนุาตให้ผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ก่อนเข้าไปใกล้พเจ้าเข้าไปถึงใกล้ๆเรากราบก็ใกล้พระบาทต้องสมเด็จพระเรมโอราิย์ก็ได้กรนันว่าถ้าคิดนี้โดยก่อนน้องหญิงแตถาข้ออยากจะทราบว่าเธอเธอมาจากไหนแต่เต่าไม่ทราบพระเจา้าข่ ท่ากระถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านกระถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะถ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะเมื่อเธอตอบตามนี้บรรดาผู้ใหญ่ก็โกรธเขาเด็กเล็กล้อเลียนเราพระเจ้าตอนที่เธอเยี่ยมสุขการระดับเขาเจ้าสองยกมือห้ามวันชากรชากรถามกันก่อนสอบสวนงันก่อน ชาว บ, บ้านก็หยุดในเมื่อชาว บ, บ้านอยู่ทุกเจ้าก็ถามว่าเพราะที่นี้ดูก่อนนอนหญิงเาจะถามก็ถามเธอบอกว่าเธอจะไปไหนเธอเธอมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบเป็นไหมเขาว่ายัางไงเธอก็ตอบว่าข้าแต่ว่พวพ า, าพระเจ้าพระเจริญการที่ข้าพระเจ้าจมาจากบ้านาปเราทราบว่าอํานาจพยานเขาบ อ, อ, อกแล้ว แตลว่าที่องค์พระเดชพรอทพย์้วทรงถามไมจะหมายความาอย่างนั้นหมายความก่อนจะเกิดเครามาจากไหนอันนี้พระครูธไม่ทราบจริงค่ะเจาชนยกบูชาทุกอดีตทุกแรกเจา้าเจ้าทรงถามต่อไปวข้อที่สองทีิคตรถามเธอว่าเธอจะไปไหนเธอตอบม่ทราบหมายความาอย่างไรเธอตอบว่าการที่จะมองฉันจะออกจากบ้านจะไปโรงทอหุขข่อข อ, องพ่อโอนเราทราบดีแล้ว แต้วองคสมเด็จพระที่เจ้าหมายความเปอย่างนั้นปาฏโถ้าตายจากชาตินี้จะไปไหนอันนี้หงนฉันไม่ทราบาพระเจ้าค่ะพระเจ้าทรงยกเอาสาทุอีกข้างหนึ่งอีกข้างที่สองพอถูกแล้วมาอข้อที่สามถ้าถามว่าสิทนกราข้อถามว่าเธอไม่ทราบหรือถ้าตอบว่าทราบเป็นหมายความเป็นยังไงถ้าเจ้าถามว่าขึ้นชือกลเกิดจำตาย การตายังเข้ามาถึงก็เว่าของธรรมดาบอกกันทราบพระเจ้าค่ะซึ่งทราบก็เพราะว่าราบว่าจะต้องตายแต่ไม่รู้จะไปตายเวลาไหนพระเจ้าจะราสาธุอีกครั uh ้งหนึ่งต่อไปข้อดีเสีข้อดีเสีจ้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตว่าทราบไหมว่าอย่ายังไงถ้าตอบว่าซึ่งทราบหมวาว่าทราบว่ต้องตายกันแน่พระเจ้าให้สาธุการในวาระที่สีเมื่อจบ เธอก็เป็นปรสบดาบันไง่ายไหมกอทังตอนนี้แล้วบรรดาสพุทรวรจัทรขอไปอธรษฐานนะิดหนึ่งนะขอแทรกหน่อยหนึ่งว่าการฟังเทศด้วยกันแนะนําองคนของพระก็ดีพระพเจ้าก็ตามต้องจัดใจความเป็นสําคัญอย่าฟังเฉพาะเรื่องแต่เรื่องขีงพระเจ้าถือเอาเรื่องความตายเป็นสําคัญ ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทำหลายจนอยากคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้จะคิดว่าความตายอาจจะเข้าถึงเราวันนี้ว่าเสมอมมมถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ก็จะไม่มีความประมาทจะไม่สร้างความชั่วจะสร้างแต่ความดีความดีเหอืไรบ้างหนึ่งนั่นคือความตาย การตายเข้าถึงอนุวันนี้เราจะไปไหนถ้าเรานึกเข้าถึงยอมรับต่อถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสอ์มีสินบริสุทธิ์เราอย่างน้อยหยุดเราก็ไปสวรรค์ไปพุทธโลกหรือปณิพันธ์นัน่นทุกคนก็จะเข้าถึงเข้าใจศาสนาขมเข้ถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอพระธรรมพระงสงุตตสองถ้าต้องมีสินบริสุทธิ์เพื่อป้องกันอบายภูมจับใจความตรงนี้นะ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าประดิกลับเธอก็กลับไม่กลับบ้านกลับไ ป, ไ ป, ไ, ปไปหาพ่อพระจิโรชกูชาวบ้านกกลับต อ, อ, อนนั้นพระพุทธเจ้าเทศบวชอว่าเดนอจากทยเทวมุมมสดาบันแล้วปรากฏท่านญาติปู่ใหญ่ในสมัยก่อนเมื่อสามปีที่ผ่านมาฟังเทศแล้วไม่รู้เรื่องทิ้งเทศหมดต่างคนต่างเป็นวสดาบานันันเป็นแถว ในเมื่อเธอไ้ถึงลงทาวุ่นท่านพ่อคอยตั้งแต่เช้าจนสายหิวก็หิวลูกสาวก็ไม่มาเขาตั้งทาวุ่คอยลูกสาวอยู่พอลกสายจะไปก็หลับเพียเมือจักเฟือพร้อมที่จะกระปุก<ห>ที่ที่ท<ห>ี่จะตกก็ะปุกมือือมาอจัเฟืองนะมืมือนะขวาซือก็ะสยพร้อมท้่จะพุ่งกสาวเข้าไปไม่ทันทักจ็ต เอาตัวประทบฝูนเข้าแม้เมดต่อก่อนจะหลับตั้งใจคู้จะพุ่งกระสุนก็พุ่งกระสุน้วยแรงตื่ขึ้นมาก็เสียเลยปตูอกลูกสาวล้มลงแล้วก็กระทบฝืนปลายฝืนฝืนกระทบเธอก็ล้มลงเพื่ความตายเมื่อตายจากความเป็นคนก็เลยเกิดสิดตวนบ้าเี่ยดมาไม่ัมีไม่ม่นเธรรมดาม่เป็นเรื่องยากเลย ไี่ธรรดาแยกโยมุบบัดบริษัทท่านพ่อพ่ลูกสาวตายรอาย้องไห้เสียใจถูกหายเหียหยทุกคนตอรักประเทศชาติตั้งแต่เราอยากให้สิ่งท่ากเนี่เป็นด้วความริเริ่งสำหรับทางด้านองค์กรกลางมีความเห็นว่าการโยกย้ายจาก่างคุณข้าก็คอลูกสาวทาชายิดเสร็จเท้าสบเสร็จกาไปพรอพระเจา้าเล่าความเป็นมาให้ฟังพ ร, รดดพระเจ้าบอกว่าพระบารณโดยกรพราม น้ำตาของท่านที่ไหลลงมาจากลูกสาวตายก็ดีพ ญ, ญาไาตยก็ดีถ้าจะดับเรามาลงแล้วจะมากกว่าน้ำในพระมหาสมุทรทั้งสี่ขอท่านหลายจ้ารับความทุกข์ที่ถือเปนเรื่องธรรมดาที่ปฏิบัติธรรมในที่สุดที่ก็ขอบวชบวชพระชาก็เป็นพระอรหรนต์ารบันดาญาโยามพุทธบริษัทยังไม่เลิกเสียมันแห้ง ก็เขาพัฒนาทำท่นหลายตั้งใจว่าการฟังเทศไม่จําเป็นต้องฟังมากฟังแล้วก็จําว่าเทศคด เ, เทศเรื่องอะไรจะฟังจะเพราะเรื่องถ้าฟังเฉพาะเรื่องเราไปในฐานไปต้องดูเนื้อแท้ในท้อเรื่องของพระเทศให้ก็สุดเพราะพระเจ้ า, จาต้องการอะไรเทศเรือ่องที่พระเจ้าต้องการเจาะจุดแรกคือความตายอย่าลืน กคนนั้้องทงความตายไว้เสมอเพราะว่าสานโยชตสิบประการตัดเฉพาะอย่างยิ่งตัวแรกคือ ต, ตัวตายถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นพวกเราไม่กําไรมากกว่าตีสการีเพราะเทศก็ฟังมากชึงกรักษาบ่อยทายาให้เสมอเีสการีนานๆจะรักษาขีดสามปีเจ็บครั้งหนึ่ง เราเจอพระทุวันใช่ไหมใช่ไหมเท่แก่เจอพระไว้อ้งก็ไม่รู้นะแต่แล้วนะ <c oughs> เขาเจอยอดพระนะคือพระพุทธเจ้าตังในงใจคิดว่าความตาอาจจะถึงเในวันพรุ่งนี้ในวันนี้เสมอเพตั้ง ใ, นใจน่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ต้องใจทรงสินห้าข้ยิบยโสดานนก็ไม่แค่นี้ อันดับต้นมันพระโสดาบันมีสามชั้นนะชั้นแรกเอาแค่ขั้นแรกก็พอแล้วต็นีสินห้าบริสุทธิจิตรักพุิพันธ์ไมารุมเพียงแค่นี้ทุกคนเราจะตายเนลาจะตายถ้าจิรักพิพันธ์ด้วยนะเลาจะตายอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเทวดาไปนางฟ้าไปสวรรค์อย่างกลางไปภูมิโลกอาสูงสุดไปนิพพาน ถ้าเวอร์วันดาบุคคนทำลายที่ดั่งที่นี่คิดว่าคงไม่ไปได้ผ่านาไปไหนไปเฮ้นไข่ไงเฮ้นไข่รู้ด้ว่ามันไข่ปลอมจะต้องหาไข่จริงมานะถ้าตั้งใจบรรพย์ของไม่ยากไปหาไข่ช่ อ, อนรก ก็ดูตัวอย่างเป็นศกาลนี้ก็แล้วกันการเป็นระโสดาบันเป็นยากกว่าทุกอย่างถ้าโสดาบันสศรษาคามีอาราคามีอาหลานทั้งสี่อย่างนี้เป็นวัสดาบันยากที่สุดถ้าเป็นระโสดาบันได้แล้วตามสุทธคติบัพระวจนะโคษาจางสมัยนั้นไม่ใช่ว่าสามัญนะแต่พระสามัญก็ยังได้ มันเป็นใจของแปลกถ้านบอกว่าบุคคลใดถ้าเจรอกรรมฐ า, านได้ประสดาบันในที่นั่งใดให้ทําใจถึงอาหารหันในที่นั่งนั้นมาก็ยังไม่ลุกให้ถึงอาหารหันเลยถ้าทํางกันแบบไหนเขาทําแบบด้วยนั้นแล้วจิตเข้าถึงประสดาบันคือมีความไม่คงมีความแน่วแน่ว่าเวลานี้เราเป็นประสดาบันถ้าญาติโจะยอดถามว่าจะรู้ได้ยังไง ก็เขอตอบว่ารู้แน่การจเจเปินธรรมะเขาองค์เขาจะรู้ธรรมะาจะมียาณในเ้ื่องรู้ยากจะบอกเท่าหนึ่งจิตจะมีความไมั่นคงสองเราจมีความสุขประการทีสารจะเห็นว่าความตายเป็นของธรรมดาเราต้องตายแน่ ประการที่สี่จิตจะไม่ไม่รักชีวคือไม่ห่วงไม่ห่วงควาชีวิตไม่กลัวไม่กลัความตายคือว่าถ้าตายเวลานี้ก็เชิญแต่เขาไม่แปลกแล้วก็ประการที่ห้าเมื่อ อ, อ, อารมณ์จิตเข้าถึงขนาดนี้ก็มีปัญญาสูงญาญย่อมเกิดคําว่ายานเพือ่อรู้ย่อมบอกคําว่ายานก็คืออารมณ์อารมณ์ที่เกิดจากปัญญามันจะบอกเอง เมื่อเวานี้ถึงพระโสดาบันแล้วถ้าท่านบเอเลยเราไม่มั่นใจก็ฟังเสียงถ้าติดเข้าถึงพระโสดาบันจริงจะมีเสียงบอกถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้วิชาสามนะถ้าไม่ได้วิชาสามไนมะ่ปัญญาจะมีเสียงบอกเพราะเวานี้เธอเป็นพระโสดาบันแล้วให้มั่นใจในเสียง ถ้าบอาเออเราเรียนวิชาสาเนื้ปัญญาที่เห็นภาพภาพระพระคือพระพุทธเจ้าท่านจะยืนยันว่าเวลานี้เธอเปนโสดาบันแล้วแต่ก็เป็นโสดาบันขั้นไหนท้าจะบอกด้ว ย, ยจะขั้นยาบอะไที่พูดเมื่อกี้ในขั้นยาบเรื่อขั้นกลางหรือขั้ น, น, น, นละเอียดถ้ารับฟัตาม น, นั้นต้องเชื่อทันทีว่าพระเจ้าไม่หลอกใครเมื่อมีความมั่นใจแล้วก็ตัดอารมณ์ทุดข้ายคือตัดวิชา เขาเอวิชาแปลไม่รู้เขาไม่รู้นีินมาตเขาไม่รู้อรอยิยสัจคือไม่เข้าใจในใจทุกเหตุที่เกิดทุกขเป็นต้นแล้วก็จกอัอวิชาออกมาสองสัจคือชันทะกับราคะชันทะที่มีความพอใจว่ามโนสุลโลกถือโลกของมโ น, นโลกเป็นขอ ง, งดีเราตัดทิ้งไปใช้ปัญญาวิจารณาว่าคนทุกคนในโลกมีใครมีความสุขบ้าง มีความหิวมีความร้ายมีความหนาวมีความร้อนเป็นต้นไม่เคยมีใครมีความสุขโลกทั้งโลกจะไม่ใช่ความทุกข์เทวโลกกับพุทโลกมีความสุขชั่วคราวแต่ว่าในโลกพ้นจากความสุขแล้วก็กลับมาทุกข์ใหม่ราคะเทวโลกกโลกสวยไม่มีเทวโลกสวยไม่มีพุทธโลกสวยไม่มีมนุษยโลก มีแต่ความสมบุกสมบูรณ์ร่างกายทุกคนสมบูรกหมดร่างกายาสัตว์สมบุกหมดวัตถุธาตุทั้งหมดสมบุกหมดไม่มได้ได้โยนากิ่งได้ใช่แค่โลกสวยั่วคราวไม่ใช่เรสลายตัวอารมก็จะตัดทั้สามปการในตัดสั้นพระคือความพอใจในความเป็นมนุษย์ในเทวดาวและพราามสาขาใีความไม่พอใจในความเป็นเทวดานุตตรพรม จิตก็พ้นจากความเป็นเป็นอจก็พ้นจากอวิชาาวชาเป็นคนฉลาดเวลานั้นจะปรากฏเห็นภาพองค์พระพาทธเจ้าถ้าเราเป็นอรหันต์จะทรงรับพยากรณ์ทันทีถ้าเป็นสุขเวทโกก็จะได้ยินเสียงเพื่อเวลานี้เธอเป็นอรหันต์แล้วต้องเชื่อไม่เชื่อแล้วก็ต้องไป่โศตัวเองด้วย ถ้าเป็นเจริญโฉมชาสาวใยพญาโหรเห็นยายาภาพจึงยันว่าความบริันเจอทั้งภาพทั้งเสียงอริยดาท่านพุทธบริษัทเชื่อมันไปไม่ไหวนะขาานายย้าพนันท่านหลายจ้าจำต้องเกสกุีเทวไว้ถ้าเรื่องตอนท่าต้องต้องการพิทธการหรือว่าต้องการให้ตั้งใจตัดอวิชชาชั้นท่ากับราคามนุษย์ชนโลกเธอโลกธรรโลกเลิกต้องการกัน เราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานก่อนจะนอนเามดา้ทพุทธวิสัทุ์ท่านนึกถึงพระพุทธเจากก้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คือว่าชีวิตอาจจะตายในวันนี้ก็ได้ถ้าไปเวลานี้เขาไปนิพพานจุดเดียวเพี่นี้นะอาจาร์หลายไม่ไหวแล้วเสียหมดตอนที้ไปตั้งใจพร้าธรรมทานศีลธรรมาทานพระธรรมาน